ตัวอย่างธรรมะที่พิจารณาได้ทุกระดับพระมหาโกดิตะถามท่านพระสารีบุตรว่าภิกษุผู้มีศีลคนโยนิโสมนสิการธรรมะจาพวกไหนพระสารีบุตรตอบว่าท่านโกทิตต์ภิกษุผู้มีศีลคนโยนิโสม น, รรรม น, นมสนนนมนิการอุปาทานคขันห้า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 มีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุผู้มีศีลโยนิโสมนัสิการอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงและโดยอาการที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะพึงประจักแจ้งโซดาปฏิผลภิกษุโสดาบานละท่านควรโยนิโสมนัสิการธรรมะจาพวกไหนแม้ภิกษุที่เป็นโซดาบานัน ก็ควรโยนิโสมนาสิกานอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงละจนถึงมีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุโซดาบันโยนิโสมนาสิกานอย่างนี้จะพึงประจักษ์แจ้งสกัดทาคามิผลในที่นี้ถามตอบถึงพระสกัดทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ก็ตอบโดยในยะเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดนะครับ แต่มีเพิ่มมาตรงพระอรหันต์คือกล่าวว่าพระอรหันต์ไม่มีกิจซึ่งจะต้องทำยิ่งขึ้นไปอีกหรือจะต้องสังสมกิจที่กระทำไว้แล้วก็จริงก็แต่ว่าธรรมะเหล่านี้จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุ ข, ขวิหารคือการมีที่พักใจอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นไปเพื่อสติสัมปัชัญญะ ในสูตรอื่นก็มีเนื้อความเหมือนกันแต่เปลี่ยนคำว่าผู้มีสีในท่อนแรกเป็นผู้มีสุตตะในสังยุตตานิกายมหาวารวักว่าทั้งพระเสขะและพระอเสขะควรใช้สติปฐานสีเป็นวิหารธรรมธรรมะที่ตามปกติเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระเสขะและแม้ต่ำกว่าเสขะแต่ใช้เพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร และสติสัมปัชัญญะสำหรับพระอาหารหันต์ก็คือฌานสี่